สมถะและวิปัสนามุ่งสู่จุดหมายเดียวกันคำว่าสมถะและวิปัสนาเป็นชื่อของการปฏิบัติการปฏิบัติด้วยบริกรรมภาวนาหรือเพ่งกะสินเป็นการปฏิบัติตามวิธีของสมถะการปฏิบัติด้วยการพิจารณาธรรมะหรือการกำหนดสติตามรู้อารมณ์เป็นการปฏิบัติตามแบบของวิปัสนา จุดมุ่งหมายเพื่อให้จิตสงบเป็นสมาธิเกิดสติปัญญารู้ธรรมเห็นธรรมตามความเป็นจริงถ้าเรากำหนดสติตามรู้ความคิดรู้รู้รู้นี่แหละคือการเดินวิปัสสนาแต่ยังเป็นภาคปฏิบัติอยู่ถ้าจิตตัดสินใจอันใดอันหนึ่งด้วยความรู้แจ้งเห็นจริงว่าสิ่งนี้เป็นอย่างนี้นั่นคือวิปัสสนา